ได้จะให้ฉันทำยังไงให้สร้างศาลาพระนุรุทธะแนะทาให้สร้างศาลาให้สร้างศาลาว่าหมอมฉันไม่มีเงินว่างั้นนางโลหินีบอกว่าหมอมฉันไม่มีเงินที่จะสร้างศาลาถึงขนาดนั้นเธอมีเครื่องประดับไหมนั่นพระนุรุทธะพี่ชายน่ะเธอมีเครื่องประดับไหม มีเจ้าขภาจะจะขายได้เท่าไหร่ล่ะเครื่องประดับของของเธอขายได้ประมาณหนึ่งหมื่นพยาค่าเออเอาเนี่ยแหละขายเครื่องประดับสร้างทาลาพูดนะแนะนำไม่ใช่ธรรมดาแนะ่ยแนะนำน้องสาวเออได้ไหมได้ได้เจ้าขภาพผมไม่รู้จะไปเครื่องประดับไปทไําไหมแต่นี้นําไปขายแล้ว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 ให้พวกท่านทั้งหลายช่วยได้ไหมพวกนั้นับยอมรับได้ได้เอาได้เอาสร้างก็เลยเตรียมเครื่องทัพระสัมภะมาแล้วก็มาก่อสร้างพอกาสร้างให้สร้างให้สร้างสองชั้นนะชั้นบนชั้นล่างคงจะเป็นสลาเหมือนของเรานี่ยมั้งพอสร้างเสร็จแล้วต่นี้นางก็เป็นผู้ออปัดกวาดทความสะอาดตั้งอาสนะให้พระสงฆ์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 เห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าพระสวามีของตงัวเองจะแบ่งจิตแบ่งใจไปให้นางนางนางฟอ้อนนางรำแลนโกรธอิจฉาอีกต่างหากเพราะอิจฉาแล้วก็โกรธในความโกรธและความอิจฉาเนี่ยพาตนตกต่านะพาได้ใช้กรรมเพราะนั้นให้ระวังใครจะโกรธอะไรใครจะอิจฉาอะไรแต่ตอนนี้พออิจฉาเสร็จแล้วก็วางแผนเลยตน วางแผนก็ไปเอาเนี่ยหมากเตาล้างบดบดบดหมากเตาล้างแล้วก็บดบดหมามุยแล้วก็เอาเอาฝุ่นของหมามุยใส่ใส่ในถุงในอะไรมาทีนี้ก่อนนะบอกให้นางนางฟ้นางนางรำเข้ามาหามาเฝ้าราชินีมา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 สู่หน้าคู่หน้าคนพออราะอเพราะกรํากรรมเก่าตามสนองนี่แหละพระพุทธพระพุทธเจ้าท่านวันกรรมตอนนั้นแหะโลหินีที่เธอได้ทําไว้ในอดีตเพราะนั้นกรรมชั่วอย่าคิดอย่าทำํำซะเลยดีกว่ า, านืเมื่อทําลงไปแล้วน่นมันให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนนี่แหละอันนี้ก็คือถ้าจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าการสร้างบุญสร้างกุศล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 แต่นางอากมเหษสีนี่กลัวจะพระสวามีปัจิตปัญใจให้กับนางฟ้อนนางรอก็เลยโมโหในจิตในใจทั้งอิดช้าในจิตในใจผลในส่วนอะไออกมาลักษณะอย่างนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่านี่แหละกรรมกรรมกรรมชั่วอย่าทำเฉยดีกว่าสิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดเฉยดีกว่า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 ในหลักของพุทธศาสะนาะจุตูปปาตญาณการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณถึงตอนเที่ยงคืนจุตูปปาตญาณการจุติของสปปรรพสัตว์ทั้งหลายมาจากที่ไหนมาเกิดที่นี่และทำกรรมอันไหนไว้ทำมเกิดมาแล้วไม่เหมือนกันทำมาเกิดมานะ่แต่เกิดตระกูลสูงกว่าจริงอยูแต่เป็น